สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจาก4ีบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่24เรื่องผลแปดประการจากปัญญาและความสุ ข, ขุมรอบคอบพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องให้คุณค่าสติปัญญานะครับและความฉเฉลียวฉลาดหรือความสุ ข, ขุมรอบคอบนั่นเองความสุ ข, ขุมรอบคอบเมื่อวานนี้หลาย หลายท่านนะครับก็จะมีความสงสัยว่าทําไมแปลว่าความสุกุมรอบคอบทั้งที่ภาษาอังกฤษบางฉบับนั้นแปลว่า insight นะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วครับพี่น้องถอยกลับไปฟังนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลแปดประการผลแปดประการนั้นที่เราจะได้รับจากการที่เรามีปัญญาและความสุ ข, ข, ขุมรอบคอบผล ป, ประการแรกครับก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่มีความเพลิดเพลิน พระัมภีร์ใช้คำว่า the wisdom นะครับ the wisdom ก็จะเป็น life to your soul life ก็คือชีวิต soul ก็คือวิญญาณพี่น้องครับทำให้เราเห็นภาพถึงวิญญาณที่มีชีวิตชีวาครับเราเห็นภาพถึงอารมณ์ร่างกายที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาโดยที่ว่าเขาจะมีความเพลิดเพลินมีความสุข นะครับเป็นประการแรกประการที่สองก็แปลว่าอาพรประดับคอนะครับอาพรประดับคอมีความหมายว่าไงครับแปลว่า grace to your neck grace นี้มีความหมายว่าพระคุณในขณะเดียวกันครับก็มีความหมายว่าความสง่างามความสวยงามคำ ว, ว่า grace นี้ก็มีสองความหมายครับในความหมายนี้นะครับเราก็จะเห็นถึงความหมายที่สองก็คือ การที่เราจะมีความสง่างามในชีวิตตรงนี้ภาษาไทยแปลว่าอาร์พร์ประดับคอก็คือว่าเป็นเหมือนกับสร้อยคอครับเป็นเหมือนกับสร้อยคอที่คล้องอยู่แล้วก็เป็นความสวยงามบางคนชอบมีสร้อยคอทองสร้อยคอมุกนะครับสร้อยคอที่เต็มไปด้วยอหินที่มีค่าก็คือพวกเพชรพลอยทั้งหลายนี่นะครับเป็นความสง่างามเป็นะความสง่างามของชีวิตครับ ชีวิตเรานั้นก็จะมีความเพิดเพลินและความสง่างามคิ้ ว, ว่า the pleasant นะครับ happy life The and สง่างามก็คือความสวยงาม and beautiful ประการที่สามครับเขาจะมี safety การดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะมีความปลอดภัยและประการที่สี่ก็คือ้าของเขาจะไม่ฉีดดุดเพียงครับขณะที่เราเดินอยู่ในโลกนี้ มันาตารนั้นมันจะขัดขวางมันสาตานนั้นมันจะมีกับดักมันสาตารนั้นมันจะสร้างอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยครับชีวิตของเราจะปลอดภัยเพราะว่าเรารู้เดสติเนชันของเราและเดสตินีของเราอยู่ในน้ําัทไธของพระเจ้าเดสติเนชันแปลว่าจุดหมายปลายทางเดสตินีแปลว่าชะตาชีวิตชะตาชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระหัตของพระเจ้าครับและเดสติเนชันของเรา จุดหมายปลายทางเราก็ชัดเจนครับว่าคือสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่กลัวที่จะลม้มท้าของเราจะไม่ล้มครับพี่น้องครับเราจะไม่สะดุดเพราะอะไรครับเพราะว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางที่ราบเรียบราบรื่นและปลอดภัยหลายคนอาจจะมีความเห็นขัดแยง้งว่า หลายครั้งทีเดียวทําไมเราสะดุดผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราที่เป็นชีวิตที่เรารับใช้พระเจ้านะครับมันเป็นชีวิตขาขึ้นครับชีวิตของเราที่เราถวายกับพระเจ้าให้อยู่ในพระราชของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตขาขึ้นเปรียบเส ม, มสือนกับหุ้นขาขึ้นนะครับแต่ในขณะที่เราขยายกราฟของหุ้นขาขึ้นเนี่ยแล้วก็จจะเห็นถึงการสะดุดของหุ้นในบางครั้ง แต่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นหมายถึงว่า destination destination ก็คือจุดหมายปลายทางของเรานั้นยังคงเป็นขาขึ้นและในที่จุดนั้นก็คือสวรรค์ในขณะเดียวกันครับคาว่าไม่สะดุดนั้นก็คือไม่ล้มลงและล้มคืนลงนะครับ ล, ล้มคืนลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่กลับมาอีกพี่น้องครับเราจะเห็นนักวิ่งบางคนนะครับออกจากการแข่งขันเพราะว่าเขาสะดุดขาตัวเอง หรือเขาสะดุดบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในลู่อยู่ในสนามแต่ชีวิตของคริสเตียนนั้นเราจะไม่มีวันที่จะถูกจับออกจากการแข่งขันครับเพราะว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นมีองค์พระบุญ เ, เจ้าเป็นคนที่คอยดูแลชีวิตของเรานั้นจะมั่นคงปลอดภัยประการที่ห้าครับเราจะไม่กลัวกลัวในที่นี้ใช้คำว่า afraid นะครับและเราจะรับอย่างผาสุกสดชื่น อันนี้คือประการที่ห้าประการที่หกพี่น้องครับความกลัวนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดกับคริสเตียนถ้าเรามีความเชื่อหลาครั้งทีเดียวอาจารย์ถูกถามว่าอาจารย์อย่าไปเทศสิ่งที่อะไรที่ก็ตามที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าทุกคนมีความกลัวหมดนะครับแต่เราต้องพัฒนาที่เราจะไม่กลัว สิ่งที่ไม่น่ากลัวแลวเราจะต้องกลัวสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับเราจะต้องรู้ว่าชีวิตของเราที่อยู่โลกนี้นั้นน่ากลัวนะครับเรื่องของอะไรเรื่องของการถูกล่อลวงครับสิ่งล่อลวงนั้นเป็นเรื่องน่านกลัวในและในเวลาเดีกันกรครับเราก็ต้องระวะระวังตัวในการที่เราจะไม่ล่วงเข้าไปอยู่ในการทดลองการล่อลวงของมันซาตาน พี่น้องครับเราจะต้องกลัวความบาปนะครับเราจะต้องกลัวความบาปเพราะฉะนั้นความบาปนั้นเรากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ํามันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ได้รับผ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องกลัวนะครับความบาปแต่เราจะไม่กลัวอะไรครับเราจะไม่กลัวสิ่งที่คนอื่นกลัวสิ่งที่ชาวโลกกลัวนั้นเราจะไม่กลัวครับ และประการต่อไปก็คือเราจะหลับด้วยความผาสุกสดชื่นเพราะว่าคนที่ไม่กลัวก็จะหลับได้นะครับคนที่ไม่กลัวก็จะหลับได้อันนี้เป็นสาเหตุครับถ้าเราไม่มีความกลัวนะครับเราจะหลับได้เวลาที่เรานอนนั้นเราจะหลับด้วยความผาสุกสดชื่นตื่นขึ้นมาก็ด้วยความสดชื่นครับและประการที่เจ็ดกับประการที่แปดก็คือเราจะไม่วอรี่ คำกลัวลานั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า worry ครับก็คือความกังวลนั่นเองเราจะไม่กังวลนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าง ป, ปัจจุบันทันด่วนที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับและประการที่แปดก็คือว่าเราจะไม่กลัวความพินาศย่อยยับของคนชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอย่าลืมครับว่า destination ของเราหรือจุดหมายปลายทางของเรานั้นคือสวรรค์นะครับแต่จุดหมายปลายทางของคนชั่วร้ายนั้นนะครับ เขาไม่รู้ครับแต่พ่อพีบอกชัดเจนว่าความพินาศย่อยยับในขณะที่ความกลัวหรือความกลัวรานก็คือแพนิคนะครับความตื่นตระหนกต่อเรื่องปัจจุบันทันด่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภยัยพิบัติต่างๆนะฮะความกลัวลานนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะเกิดขึ้นในแง่ของการที่ว่าไม่คาดฝันครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ คนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าคนที่มีความสุ ข, ขุมรอบคอบนะครับเขาจะนิ่งเหมือนอย่างที่พระบุญพีพูดว่าจงนิ่งเสียแล้วรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะไม่วอรรี่นะครับจะไม่ลุกลี้ลุกลนจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อภัยมาถึงพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นที่ไดีภัยและเป็นกําลังของเราทั้งหลาย พระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งในวันยากลํบาบากเพราะฉะนั้นความพี่น้อยความพี่น้าก็ยับก็ดีนะครับหรือมาเราสมชีวิตที่ขานเข้ามาก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องปัจจุบันทันด่วนที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ดีี่นะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะได้มีผลเกิดขึ้นจากความที่เรามีความสุ ข, ขุมรอบคอบและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะดูแลนะครับดูแล สิ่งเหล่านี้ดูแลเราได้ไงครับด้วยพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้กับเราในแต่ละวันแต่ละวันเราแต่ละวันนั้นเรารับพระคุณของพระเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำนึกและตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าครับขอให้ชีวิตของเรานั้นจะมีความเพลิดเพลินนะครับและก็จะมีความสุขและสง่างามครับด้วยการที่เราจะรักษาชั้ปัญญา และรักษาความฉเฉลีวฉลาดรักษาความสุกลุ่มรอบคอบไว้นะครับอย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากชีวิตนี้ไปจากสายตาของเจ้าต้องจับจ้องไว้ครับแล้วผลแปลตระ ก, การก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนอาเมต